อุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนะตุปาญาตจึงดับกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า